ลองหลัวนะมีอายุอ่อนกว่าเราอีกคนเดียวไม่กี่เดือนนอก น, นั้นใกล้กเกษียณมีผู้ว่าไฟฟ้าฝ่ายผลิตคนหนึงเรียนร่วมรุ่นกันนี่ตอนเรียนแล้วก็พาไปเที่ยวนะอ่าไปทั่วประเทศเลยวันนึงขึ้นไปทําหาบหล่องหากันไปเขาแยกทำเป็นกลุ่มๆบางคนก็จะเที่ยวดูอะไรเขาก็าดูไปแนละ้วเราชวนกันไปกลุ่มหนึ่ง ขึ้นเไปทําผาปล่อง <c oughs> เดินขึ้นไปบนถ้าหลวงพ่อเด็กของเขาเนี่ยเดินเร็วเดินเดินเดินขึ้นไปช่วงนั้นเขาทําประตูปิดปากถ้าแนละ้วประตูยืดเหมือนประตูหน้าห้องแถวอหน้าตึกแถวไปนั่งปุ๊บแย่หลวงปู่อยู่ไหนหลวงปู่ไม่อยู่นะปฏิดีมีพระเดินมาสามารถหลวงปู่อยู่ไหมครับนะบพ่กเหยียดขึ้นมาไม่ถึงเราขึ้นกับเราถามก่อน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 ให้ระเทศเทศเทศให้ฟังนะจนทุ่มหนึ่งท่านหอบเลยพู้เฒ่าอายุเก้าสิบห้าเก้าสิบหกปีพูดนานนานหอบเรายังหอบเลยพูดกระยมทุกวันนะ <S <S ท่านแก่กว่าเราเยอะเลยพอเห็นท่านหอบเราสงสารหลวงปู่ผมจะกลับนะ <c oughs> ท่านบอกจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้จำไหมนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง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 โน่นปนไม้โนนเรือนว่างโน่นภูเขานี่ลำฟางนี่ถ้าไปไปทำเอาัี่เรียนธรรมะนะต้องไปทำเอาแม้อย่างเกาะกบูบาจารย์อยู่นะเสียเวลานี่อยู่สุรินทร์คืนหนึ่งเช้าว่าขึ้นรถไฟมาแวะโคราชเป็นธรรมดาของหลวงพ่อเลยไปหาหลวงปู่ ด, ดูลแล้วขากลับต้องแวะกราบหลวงพ่อพุทธเข้าไปเจอหลวงพ่อพุทธนั่งเทศอยู่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 หลังจากนั้นนะไม่ค่อยเจอท่านน่ะญาติโยมเยอะมากท่านก็หายไปเลยหลวงปู่ก็มรณาภาพไปแล้ว <c oughs> เวลาพูดในหมู่ลูกศิษย์เรก็บอกหลวงปูนิพพานไปแล้วพูดในที่สาธารณะเราก็บอกท่านมรณาภาพไปแล้วเขาไม่มีใครรับรองเนะี่ยท่านไม่มีพระพุทธเจ้าออกเซอร์ติฟิเคตให้ั่นะเราก็พูดไม่ได้เต็มปากแล้วก็เชื่อเชื่อเอา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 วันนี้ยังไม่ได้ใช้ทําอันนี้หรอกแต่ก็ฟังไว้เก็บไว้เดี๋ยวมันก็จะคุณสุเมธจะไปทําซีดีให้ฟังไปเรื่อยๆจนแก่นะา <c oughs> มีบุญวาสนาก็จะได้ใช้ธรรมะเสร็จแล้วเราก็รู้แล้วโอ้มันทํำลายอีกในขณะที่ตลอดทางของการปฏิบัติเราคิดว่าจะทำยังไง <c oughs> เสร็จแล้วในเพศของคารวะมันทาให้ประณีตยิ่งกว่านั้นไม่ไหว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 ให้แตกหักข้ามพบข้ามชาติจริงๆยากที่สุดเลยยากคนะารวะถึงที่สุดก็มีแต่สังเกตให้ดีอย่างในพระใจปิตกคารวาที่ถึงที่สุดเนี่ยคือพวกรีทายแล้วอย่างพระเจ้าสุดโทตนาไม่มีอะไรทํนแะล้วจบหนักใกล้จะตายแล้วก็มีนะคารวะถึงที่สุดก็มีแต่ว่าถึงที่สุดแล้วขอบวชดังนั้นบารมีท่านเต็มแลนะ้วเทียบยากนะ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 จนท้อใจเลยท้อใจโอ้ชาตินี้ไม่ได้ล้วสุดสติสุดปัญญาแล้วไม่มีทางทําได้ทําไม่ได้ท้อใจเลยนะพอถอดใจเนี่ยจิตมันเลิกดินน้นรนนั่งรู้นั่งดูของเราไปเนี่ยะจิตใจก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยจะหาทางทําให้มันหลุดพ้นทําไม่ได้หรอก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 เรียนรู้ความจริงของธรรมะ น, ะนทานที่เข้าขั้นปรมนนะาจารย์ทานทาถึงขั้นสละชีวิตนะไม่ใช่กระจอกล้อกง่ยนะต้องสะสมไปอย่างเราภาวนาเจ็บปวดปวดเมื่อยนิดๆหน่อยๆ อ, อะไรก็ถอยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องฝึกจิตฝึกใจให้มันเข้มแข็งขึ้นเป็นลำดับดบแต่ไม่ใช่ทรมานผู้ซี้จนพิกลพิการอันนั้นก็โง่เกินไปนะแต่ต้องเข้มแข็ง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 วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจวิ่งไปวิ่งมาแลื่จิตซึ่งทําลายเปลือกผุ่ อ, อกไปแล้วเนี่ยมีชื่อว่าวิมาริยาที่กัดจิตจิตนี้มีความใหญ่โตกว้างขวางเต็มโลกกระถากก็ไม่มีการวิ่งไปวิ่งมาไม่มีการวิ่งแล้วไม่มีความปรุงแต่งพ้นจากธาตจากขันแต่ว่าครอบธาตุครอบขันครอบโลกครอบจักรวาลอยู่อย่างนั้นเอง